าามาทไมมาอะรเยมอรล่รคับอะไรจะถามมพระซาคะถ้าี่พระซาน ส, าสอบให้ดูโครงกระดูกกับดูอสุภะคับถ้ายิ่งถ้ายิ่งเห็นทุกคนเป็นอสุ้ะก็ยิ่งดีเวลาที่เราเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มองเป็นอสุภะกับโครงกระดูก แล้วเวลาเขาเข้ามาคุยกับเราก็คุยกับโคกันก็ไม่ใช่เลยตอนนี้คุยอะไรไะวระใช่ค่ะห น, นังหุ้มกระดูกไม่ใช่ค่ะผมขนและฟันหนังแล้วก็หุ้มกระดูกไงหนังแล้วก็มีผมโผล่ขึ้นมามีขนโผล่ขึ้นมานหนังข้างใต้นี่เป็นอะไรนี่ก็เป็นเนื้อเป็นกล้ามนล้วเป็นกระดูกนี่นนข้อดื้อเนี่เป็นอะไรกระโหกเอค่ะอ่กระโหลกมันเป็นกระดูกเข้าเ่า แล้วคุยกับอะไรนี่วนี่ก็น ก, กระดูกไม่ใแล้วคนมันอยู่ตรงไหนไนะ่นสิเราไปตั้งชื่อมันขึ้นมาเองว่าเป็นคนไปสมมุติว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็ไปไปยึดไปติดกับชื่อกับตำแหน่งอะไรต่าง มันมีคารไม่เหมือนกันมอ ง, องมีการไม่มีผมขนเล็บฟั น, นก็เราไม่มองเองเราไม่มองว่าอา๋อคนนี้คุณคุณชื่ออะไรนอะนี้ชื่ออะไรก็เอาแต่ชื่อเอแต่ชื่อแล้วก็เอาเอาแต่กิริย า, ากิริยาอาการต่าง ๆ, ๆคนนี้มี กิริยาการแบบนี้นสายแบบนี้แต่มันก็ใช้ร่างกายนี้เป็นตัวแสดงใชไหมตัวที่แสดงตัวที่ใช้ร่างกายแสดงก็คือใจใจมันไม่มีมันไม่มีตัวแสดงมันก็เลยต้องเอาร่างกายมันเป็นตัวแสดงตัวใจเองมันไม่มีรูปไม่มีร่างตัวใจมันมีแต่ความคิดความรู้สึกการรับรู้ ร, รู้เนี่ยผู้ที่รู้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเพียงแต่รับเสียงเข้าไปในหูแล้วส่งไปให้ใจทีใจก็รับรู้ว่ากำลังได้ยินเสียงถ้าเสียงชอบก็มีความสุขถ้าเสียงไม่ชอบก็มีความทุกมีความสุขก็อยากให้มันสุขไปนานๆมีความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆ พอมีความอยากก็มีความเครียดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความเครียดก็อย่าไปมีความอยากไม่มถ้าไม่อยากจะมีความอยากก็ต้องอย่าไปชอบอย่าไปชังให้รู้เฉยๆให้หน้าคนนี้ก็อย่าไปชอบให้หน้าคนนี้ก็อย่าไปเกลียดมันก็ผมขนเล่นฟันเหมือนกันไม่ใช่หรื มันมีตรงไหนหน่ารักน่าเกียดมาคนสองคนนี้เอาสามสี่คนนี้ทำไมชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบผมเขาเลยไม่ชอบขนเขาเลยผมเขาผมคนนี้กับผมคนนี้ไม่เหมือนกันนะหนังคนนี้กับหนังคนนี้ไม่เหมือนกันนะมันก็หนังเหมือนกันกระดูกก็เหมือนกัน หัวใจก็เหมือนกันปอดก็เหมือนกันตับก็เหมือนกันไตก็เหมือนกันน้ำไส้ก็เหมือนกันเห <ounce> มือนกันหมดแล้าทําไมไปชอบคนนี้ไม่ไม่ปชอบคนนี้ไม่เกลียดคนนี้วนเวลาชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นม า, าชอบก็เกิดความยินดีอยากได้อยากให้อยู่กับเราเวลาไม่ชอบก็เกิดความยินได้ อยากให้เขาไปอยากให้เขาหายไปไม่อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วใครใครใครวุ่นวายก็เราแหละไปวุ่นวายกับของอันเดียวกันนะไปวุ่นวายกับผมผลเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกหรือถ้าจะพิจว่าไปวุ่นวายกับนิสัยใจคอเขาเราก็ เราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าให้เขามีนิสัยแบบที่เราต้องการได้หรือเปล่าเขามีนิสัยยังไงก็เป็นของเขาอย่างนั้นเหมือนจะให้กล้วยมันเป็นส้มได้ป่ะเวลาเจอคนก็แบบนี้เจอคนแบบนี้ก็ไม่ชอบอยากให้ก็เป็นแบบนั้นได้ลูกลูกเป็นอย่างนี้ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้น พอไม่เป็นอย่างนั้นก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมาปัญหามันอยู่ที่ใจเราไปหลงไปรักไปชังเองต้องมาแก้ความหลงความรักความชังให้มาดูของที่มันเป็นเห็นชัดๆอยู่กับตาเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เราไปหลงรักหรือชังก็อันเดียวกันนี่แหละผมก็ผมเหมือนกันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกัน เนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันให้ปลกสอนใจว่าไม่มีอะไรน่ารักน่าชังแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจะรักเวลาชังเดี๋ยวเขาก็จากเราไปเหมือนกันถ้ารักเวลาจากก็เสียใจถ้าเกียดเวลาจากก็ดีใจแต่เวลาอยู่ก็เสียใจ เพืมาแก้ความรักความชังให้ได้ด้วยการมองความจริงมองส่วนที่เราเห็นชัดๆอยู่ ว, ว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละไปรักเขาก็ทุกไปชังเขาก็ทุกคนที่เราไม่รักเราไม่ชังนี่เราจะไม่ทุกเจอเขาเมื่อไหร่ก็เจอได้ไม่เจอเขาเมื่อไหร่ก็ได้ เขาจะมาก็ได้เขาจะไปก็ได้พยายามมองทุกคนให้เหมือนกับเรามองคนที่เราไม่รักไม่ชังแล้วเราจะสบายพอรักปับต้องเลิกหยุดต้องสอนบอกตัวเองว่าอย่ารักรักแล้วก็ทุกเวลาชังก็บอกอย่าชังชังแล้วก็ทุก ทำใจใเฉยๆให้มาฝึกสมาธินี้เพื่อให้ทําใจเฉย ๆ, ๆอันนี้ใจเราไม่เฉยมันไม่อยู่ตรงกลางมันเชอบแกงไปทางซ้ายแก่งไปทางขวาแกงไปทางซ้ายก็ชังแก่งไปทางขวาก็ชอบมันก็แกว่งไปมมกแกวงมาแกว่งแล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาชอบก็เกิดความอยากชังก็เกิดความอยาก ชอบก็เกิดภาวะตัณหาไม่ชอบก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะให้มันหายไปวิภาวะตัณหาถ้าชอบก็เกิดภาวะตัณหาอยากจะให้มันอยู่ภาวะแปลว่าอยู่วิภาวะแปลว่าไม่อยู่ปัญหาของเรามีแค่นี้ถ้าเฉย ไม่ยินดีนล้าก็สบายไม่ต้องทุกข์กับอะไรไม่ต้องมาฝึกหัดไม่ยินดีนล้ากับทุกสิ่งทุกอย่างตลนต้นเอาของข้างนา อ, อกกายไปก่อนเอาวของเงินทองคนต่างๆไม่ต้องไปยินดีนล้ายเขาปล่อยเขาอยู่เข้าไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหัดอยู่คนเดียวหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไร มีก็แสดงว่าชอบนะมีทีวีมีอะไรแสดงว่าชอบชอบดูชอบฟังมีของกินของรับประทานมากเกินความจำเป็นก็ชอบถ้ากินตามความจำเป็นก็ไม่เป็นไรกินแบบกินยาเวลาเรากินยาเราชอบกินไหม้ะว่าชอบก็ไม่ชอบ้ะว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่รู้ว่าต้องกิน ของกินก็ควรจะเป็นอย่างนี้กินมันเหมือนไปนกินยากินเพราะต้องกินถึงเวลาก็ต้องกินเมื่อไม่ถึงเวลาก็ไม่กินน้ำก็เหมือนกันเด็มเวลาที่มันต้องการจะเด็มเวลาน้ำไม่ต้องการจะเด็มก็ไม่ต้องเด็ดน้ำก็ไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีรสไม่ต้องมีสีกิ่นมันก็เป็นความชอบเอง รถก็เป็นความชอบเอง แ, แต่ถ้ากินน้ํำเปล่าๆนี้มันไม่มีความชอบไม่มีความชังกินไปตามความต้องการของร่างกายไม่มีแค่นี้หละมีแค่ปัจจัยสี่อย่าไปชอบอะไรอย่าไปชอบลาบยศสารเสริญชอบแล้วก็ต้องไปหาะ ทำมาได้แล้วก็เสียใจเวลามันหมดไปเวลาเสื่อมไปรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ชอบไปหาชอบดูชอบฟังชอบดมกลิ่นริ่มแล้วซื้อน้ําหอมกันมาดมมันใช่ไหมทาน้ําหอมกันชอบกลิ่นหอมไม่ชอบกลิ่นเหม็นร่างกายเวลามันมีกลิ่นเหม็นก็เอากลิ่นหอมมาโปะมัน มันก็เลยวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องทำเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้สิ่งที่ไม่ชอบก็บเสียใจถ้าไม่ไปอยากได้มันไม่อยากไปยุ่งับมันก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีมันเงินทองไม่ต้องไป ม, มีไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่วัดอยู่วากัน ไปทํางานใช้ใช้ค่าอาหารค่าที่พักไปทํางานที่วัดกันวัดเช้าก็มีข้าให้กินถ้าไม่ไปอยู่เฉยๆไปทํางานให้วัดเลิกเลิกชอบลาบยศสละเสริญเลิกชอบเลิกชอบรูปเสียงกิน่นรสก็จะสบายไม่ต้องอยุ่งกับลาบยศสละเสริญไม่ต้องอยุ่งกับรูปเสียงกิน่นรสที่จะสบาย อยู่คนเดียวได้ครับแต่ตัวชอบมันไม่ยอมมันไม่ยอมเลิกง่ายๆบอกให้มันเลิกแต่มันจะไม่ยอมเลิกไปอยู่วัดได้สามวันก็ลิ้นกลับบ้านนะกลับไปหาอะไรพอกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่แย่กลับไปก็กินดูเดินมันเต็มที่เลยอยู่วัดอดมาหลายวันพอกินเต็มที่ก็เบื่อ กลไปอยู่วัดใหม่เบื่อแล้วก็ไปวัดใหม่ไปอดสักพักพอพออดทนไม่ไหวแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันอยู่ได้นานๆก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบแล้วมันจะไม่อยากมันจะไม่เบื่ออยู่วัดก็ไม่เบื่อไม่มีอะไรดูก็ไม่เบื่อไม่มีอะไรฟังก็ไม่เบื่อ ทำใจให้สงบแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปแต่ร่างกายนี้ก็ไม่ชอบเราไม่ชอบมันชอบมันเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวมันแก่ก็ทุกข์อีกมันเจ็บก็ทุกข์มันตายก็ทุกข์เพราะชอบให้มันไม่แก่ชอบให้มันไม่เจ็บชอบไม่ให้มันไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายขึ้นมาก็เดือดร้อนอีกและ ก็ต้องอย่าไปชอบมันทำใจให้สงบแล้วก็ปล่อยมันทำใจให้สงบได้ก็จะปล่อยมันได้ทุกวันนี้ที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะใจไม่สงบใจมันดิ้นหาพวกนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเวลาคิดอะไรก็คิดถึงลูกเสียงกิ่นรสคิดถึงลาบยศชันและเสืมอมีนั่นแหละคิดอยู่กับเรื่องราวหล่านี้คิดกับเรื่องร่างกายคิดกับเรื่อง คามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาราบยศรเสริรูปเสียงกินร้อยก็ต้องจากมันไปเป็นธรรมดาแต่ถ้ายังมีชอบอยู่เวลาจากกันก็เสียใจ ถ้าใจเฉยๆไม่ชอบไม่ชังก็จะไม่เสียใจ <S <S เวลาเจอก็ไม่เสียใจเวลาจากก็ไม่เสียใจถ้ามีชอบมีชงังเวลาเจอก็เสียใจเวลาเจอก็อยากอยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปถ้ามีชังก็อยากจะให้ไปไม่อยากให้อยู่ถ้าไม่ไปก็ทุกข์ถ้าชอบแล้วไปก็ทุกข์ ดันั้นต้องมาทำใจให้เป็นการอยู่ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบการนั่งสมาธินี้ทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างชอบกับไม่ชอบอยู่ระหว่างา ก, กับชังกลัวกับหลงมันจะไม่มีมันจะเฉยเฉยมันไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันไม่หลงว่าคนนั่นคนนี้เป็น แต่เราเป็นสามีเราเป็นลูกเรามันจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆหรือว่าเนี่ยมีรูปร่างเนี่ยมีผมขนเล็ฟันมีหนังเนื้อเอ็กระดูกรู้ว่ามันเดี๋ยวก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ต่อต้านแก่ก็แกไ่ไปเลยเจ็บก็เจ็บตายก็ตายเหมือนกับผ้าทิศเน่ยทำไมเราไม่ไปต่อต้านผ้าทิศอะ เวลาขึ้นอย่าบอกไม่อยากยังไม่อยากให้ขึ้นเวลาตกไม่ยังไม่อยากให้มันตกถ้าไปต่อต้านไปฝืนพาทิคก็ทุกข์ไปหเปล่ า, าเหมือนคนที่ทํานาทําไรก็อยาก ใ, ให้ฝนตกฝนไม่ตกก็ทุกข์คนอยู่ในเมืองไม่อยากให้ตกตกก็ทุกข์น้ําท่วมรถติดมันก็เรื่องของฝนเขาก็ตกของเขาไปตามเรื่องของเขา เวลาเขาจะตกเขาก็ตกเวลาเขาไม่ตกเขาก็ไม่ตกถ้าไปอยากก็ทุกถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกเป็นชาวนาชาวไร่ฝนไม่ตกก็ไม่ตกก็ไม่ตกเป็นคนในเมืองฝนตกก็ตกรถติดก็ติดจะทายังไงเราอยากให้มันไม่ติดมันก็ติดอยู่ดีไปอยากให้มันไม่ท่วมมันก็ท่วมอยู่ดีทุกไปเปล่า ไม่ได้เปลี่ยอะไรถ้าไม่อยากให้รถติดก็อยากขึ้นรถสิเดินเนอะเดิน น, ะนี่เร็วกว่านั่งรถสิเชื่อไหมระยะทางกิโลหนึ่งเทปลองไปแข่งกันดูระหวางเดินกับนั่งอยู่ในรถเนี่ยแถวราชประสงค์เนี่ยแถวใจกลางเมืองเนี่ยระยะทางหนึ่งกิโลเดินกับนั่งเนี่ยอันไหนจะเร็วกับการนั่งรถกับเดินเนี่ย เฉพาะความชอบนั่งรถความไม่ชอบเดินนี่มันก็เลยทําให้ติดกันถ้าทุกคนชอบเดินก็ไม่มีรถนั่งกันรถก็ไม่ติดกันนี่ทุกคนมันชอบนั่งรถกันไม่ชอบเดินกันมันก็เลยรถติดกันเกิดมากี่คนก็จะซื้อรถกันทุกคนถนนมันก็มีเท่าเดิมแต่รถมันมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเอาที่ที่ไหนวิ่งมันก็เป็นลานจอดรถไป กรุงเทพนี่เป็นที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในในโลกไม่ได้วิ่งไปไหนละ ว, วิ่งยึดวิ่งอยู่ในลานจอดรถนั่นแหละก่อนก็นเดินทางในกรุงเทพนี่กลับเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่นี่บางทีมาที่นี่ยังมาเทงมามาเร็วกว่าเลยความอยากความชอบความชัง เป็นปัญหาของมนุษย์ทางที่จะมาแก้ไม่แก้ชอบไปแก้าตามแก้แก้ปลายเหตุรถติดก็สร้างสนนมันเพิ่มขึ้นเจาะอุโมงค์ใต้ดินให้มันวิ่งสร้างสะพานลอยให้มันวิ่งเวลาสร้างก็ติดกันยาวเหยียดเวลาฝ่าจะสร้างเสร็จรถใหม่มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกมันติดตั้งแต่เราสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพ ตอนต้นยังสนุนสองเลนเนี่ะสูงพุ่มวิทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแค่สองเลนเน่ะอีกฝั่งเป็นคลองอ่าถมคลองทำถนนระว่างทำถนนขมคลองก็ลดติดอีกพอทำถนนเสร็จอ่ะรถมีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วติดอีกแล้วสร้างทางด่วนกันแล้วใช่ไหมสร้างเดี๋ยวต่อไปก็มีทางด่วนซ้อนทางด่วนะ มนุษเราต้องเลิกชอบเลิกชังกันหาดีอยู่แบบง่ายๆมีกินมีอยู่ก็พอแล้วมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดมีบ้านอยู่มีข้าวกินวันละสองสามเมื้อก็พอแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกทำงานใกล้ๆบ้านขายขนมขายอะไรแถวบ้านไม่ต้องมีรถกัน ไม่สบายกันรักษากันตามมีตามเกิดหายก็หายไม่หายก็ตายรักษาดีขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันรักษาไม่รักษาถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ตายตายช้าตายเร็วนั่นชอบตายช้ากันชอบทรมาชอบเจ็บนา น, น, าน ตายเร็วไม่ได้สมไยโบราณเขามีโรงพยาบาลมีหมออย่างเราป่ะเขาก็อยู่ในป่ากันอย่างนี้เขาก็หายาหาสมุนไพรมาตำ ม, มากินกันหายก็หายไม่หายก็ตายเร็วไหมเร็วสามสี่วันก็ตายแล้วถ้าจะตายไม่ต้องมาเจ็บให้ก็าเอาเข็มมาทิ่มเอาเอามีดมาผ่า เราก็ดูคนโบราณเขาไม่เห็นมีอะไรเขาก็อยู่เขามาได้เขาก็เขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเร า, าก็เกิดเจ็บเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่เห็นมีแตกต่างกันตรงไหนแต่เรากลับไปหลงว่าไว้วิเศษกับเขาเรามีนู่นมีนี่เราไม่ตายมันก็ตายเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันทุกข์เหมือนกันคนที่ไม่ทุกข์ก็คือ คนที่ไม่อยากแต่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายอยู่ครับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปไปกลัวอะไรเราไม่ได้ตายนะั่านไหนที่ตายมันตัวเราที่ไหนเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราเมันก็เป็นเหมือนรถครันนึ่งรถพังไปคนขับทังไปกันรถกระบะคนขับก็ไม่ได้ทงังคนขับก็ไปหารถใหม่ซื้อรถใหม่ หรือถ้าขี้เกียจขับก็เดินเนะไม่มีรถสบายกับมีรถมีรถก็มีภาระเงี้ยต้องคอยเติมน้ำมันต้องคอยดูแลคอยล้างมันคอยซ่อมมันไม่มีรถนี่สบายขึ้นรถเมย์ขึ้นแท็กซี่บางที รถติดก็กลงแท็กซี่เดินไปเลยงั้นไม่มีอะไรแดีที่สุดถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่าไปมีอะไรจะไม่มีอะไรได้ก็ต้องมีความสงบถ้าไม่มีความสงบความอยากมันไม่ยอมเนอะบอกให้มันไม่มีอะไรมันไม่ยอมฟังหรอกมันจะเอาให้ได้มันจะเอาให้หนู่นเอาให้นี่ให้ได้แต่ถ้าสงบแล้วมันก็หายอยาก หายอยากแล้วก็สบายอยู่เพื่อตายชีวิตก็มีแค่นี้ละ ช, ชีวิตที่ไม่มีอะไรเราไปหลงไหลายข้างไคล้กับของปลอมทั้งนั้นอยู่เพื่อตายเอาอะไรไปได้บ้าแล้วเวลามันอยู่มันให้ความสุขกับเรารึให้ความทุกข์กับเรามากกว่ากัน เวลามีมันก็สุขเวลาไม่มีมันก็ทุกข์ไม่มีมันก็ต้องหามันมาเวลาหามันก็ทุกข์เหนื่อยยากลาบากพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดก็ต้องไปหามาั น, เ, นเงินเนี่ยเงินเนี่ยต้องหามันอยู่เรื่อยๆหามาปุ๊บเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วสไมนี่มีเครดิตหมดก่อนที่หามาได้สิ เงินเดือนเอานี่ต้องไปใช้นี่แล้วเพราะใช้ไปหมดแล้วเพราะความอยากอยากใช้หนู่นใช้นี่ซื้อหนู่นซื้อนี่หยุดความอยากได้มันก็ไม่ต้องใช้เงินสบายใช้เท่าที่จำเป็นก็นซื้อข้าวกินแค่นั้นไม่มีเงินซื้อก็อดตายไปก็จบเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกัน อินก็ตายอดก็ตายถึงเวลามันจะตายมันตายทั้งนั้นมีใครไม่ตายบ้างตายช้าตายเร็วตายก่อนตายหลังเอาแบบตายแบบไม่ทุกข์ไม่ดีหรอตายตายแบบสุขดีกว่าตายแบบทุกข์อยู่แบบทุกข์อยู่ไปทำไมอยู่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะความกลัวตายอีกเวลาตายก็ทุกข์อีก ถ้าไม่กลัวตายแล้วก็ไม่ทุกข์อยู่แบบสุขอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายเอามาแล้วประทานเข้ามาเลยได้ทำการวิธีเราจะได้หยุดพูดวันนี้มีมีวาระอะไรครบรอบของบริษัทเหรอครับเปนปีครับปีเก้า ีนมีพนัก ง, งานเกืบคนก่อน้เกือบยี่สิบแล้วครับเยี่สบแล้วครั บ, รบามามซัอก็จะเดอเือสีปปอ่สิบได้ครับสี่สบเลยครับแสดงว่าก้าวหน้า <c oughs> ลำบากปรเด็ครับลำบาะ <c oughs> อ้าวมเยอะขึ้นไม่ได้ยิ่งเยอะยิ่งเหน่ยครับอ๋อแต่ชอบใช่ไหมเ <c oughs> หนื่อยอย่างนี้ก็ชอบใช่ไห <c oughs> ไปได้เลยก่อนครับครับอดีประกาศอาจารย์ขึ้นที่ได้กลับมาจากพี่ พ, พุทธกยาครับไปอยู่พระเดไปไปอยู่มานานแค่ไหนอยู่6วัน7 7วันครับแล้วทําอะไรก็ปฏิบัติอย่างเดียวครับพรอาจารย์นั่งแล้วก็เดินนะครับที่พุทธกยาใช่ครับที่พระเจดีแล้วใช่ครับ อ, อยู่บ ร, ริเวณรอบพระเจดีอะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าไหมไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นนะเห็นแต่ต้นโพครับ ไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ฐานนั่น่หละแต่ไม่เห็นครับแต่ดีครับพระเจ้าบอกว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนรู้ปะท่าไมบอกไม่รู้ครับท่านบอกอยู่ที่เหใจอ่าครับเราอยากจะหาพระเจ้าต้องทํำในข้างในใจนี่ครับที่อยู่ของพระเจ้าคือในใจของเรานี่ครับครูบาอาจารย์ท่านเหมือนไม่ต้องไปพุทธขยากัน คนนี้เขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ไปเสียเวลาหรอกไอคนที่ไปนี้แสดงว่าไม่ยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ในใจเรับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าครับผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์พระอริยสงถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้า ก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <Yeah. S 1> ปฏิบัติที่ไหนก็ได้พุท ธ, ธกยาก็ได้ที่เมืองไทยก็ได้รสถานที่ไม่เป็นตัวสำคัญสถ า, านที่เป็นเพียงแต่ตัวเสริมหรือตัวถ่วง <Yeah. S 1> แต่ตัวสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติ <Yeah. S 1> ตัวก็ศีล <Yeah. S 1> ส, สมาธิปัญญาอ <Yeah. S 1> ันนี้สำคัญถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนครับศินสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนปฏิบัติศินสมาธิปัญญาได้ก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปที่อื่นแล้วะเหมือนกันที่มันมันไม่ได้ทําให้มันอะไรแตกต่างกันมากตัวที่ทําให้แตกต่างก็คือตัวศินสมาธิปัญญาครับแต่ถ้าที่มันดีมันสงบมันก็ช่วยได้ครับ ท่าที่มันไม่สงบมันก็ถ่วงได้แต่ไม่ใช่เป็นเพราะที่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าต้องไปพุทธคยาอย่างนี้ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ที่ปฏิบัติศิ้นสมาธิปัญญาได้ที่นั่นก็จะเจอพระพุทธเจ้าได้อย่าไปหลงประเด็นไปที่พุทธคยาแล้วก็ ชวนไปครับไม่เคยเห็นยไปดูปรครับต้องดึงใจเข้าข้างในครับไปพุทธกยาแสดงว่ามัถูกถูกหลอกให้ออกไปข้างน <c oughs> อกพอถึงพุทธกยาก็อยากจะกลับเมืองไทยแนละ้วก็หลอกบัดหลับหนึ่งเอาไปหนึ่งเอามาอย่างนี้นต้องญญ เ, เข้าข้างในต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเดิงเข้าข้างใน มีศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเข้าไปข้างใ น, นแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญเอาไปได้นะเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านนะ <c oughs> เนี่ยเอาไปวางในทะีเ่เสกเดี๋ยวไปบูชาฝากลาเลยนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้พร <c oughs> <c oughs> ลาพระจามต้องไปผาตัดนะมีหมดทดสอบเลยวันศุกร์เนี่ยค่ะถ้าไม่นักไม่ทางมันก็จะเฉยเฉยหนุ่มรักมันก็จะกลัวพูดโทรกับอุเบกานี่พรไหมคะต้องมีอะไรอย่าัไรคะพัญญาไม่ใช่ตัวเราค่ะไนูอะไรไมนคอยตอบคนรอบข้างจังวนมากกว่านุยไม่ใช่ตัวเรา ก็เลกสมาธิเองไม่ยองเลต้องใช้สติเยอะๆต้องฝึกสติไปนั้งวันพุทโธพุทโธไปทั้งวันปุ้งๆทุนาทีฮะมีเทคนิคไหมครก็ท่องพุทโธไปนั้งวันไปคิดอะไร้็ท่องพุทโธพุทโธไปกิกรรมพุทโธไปไม่ว่าจะทาอะไรกบพุทโธพุทโธเวลานั่งนิ่งมามีทราไ่ใส่ก็มามาใเดี๋ยวลั ในต้องการหนงสือสีดีก็ยิบได้นะในต้องการหนังสือดีได <c oughs> ้เะะนะทำงามากค่เทานไม่ับขอาเันะยะทาวเรวาหาปุราปาริปุรเรนติสักรางเอวเมวะอิตโตธนินังเตตานังอุปกะติ อิชิตังปัิตังตุ მ หางคิดเปเมวัสมิจโตสัพเทตุเรนตุสังกะปาจันโทปัญญาปะโสยัตถะมนิโชติระโสยัตถะสัพพิโยวิวัชานตุสัพพะโรโวินัาศตุมาเตปวัตวันตาบาโยสุขิทีขายุกปะวะ อาพิวาทานาสิลิสะมิตจังวุฒาปาจายโนจัตารุธรรมวาทานติอายุวันู ส, สุขังภาลางังทุกคนมีความสุขความเจริยิ่งยขึ้นไปนะยังอยู่ที่บ่าวินนี่เหรอครับอยู่บ่าวินครับ มงนจะชวงเดินสายใกล้ๆอยู่เลยนะครับเิัเสร็จแล้วก็พวกแบงานแล้วก็ปีหน้าว่าจะลงขั้นตึนขั้นี่ขยันไปเรื่อยๆันมีแรงทาได้แต่ปัันไม่มีแรงจะได้อาศัยเงินที่หาได้เก็บไว้นะอย่าไปใช้เงินหมดนะถ้แก่แล้วจะลาบากอย่าไปหวังให้ใครเขาเลี้ยงเราเลใครเาเลี้ยงเราหร ดีผมมาเมื่อสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อสอนให้ดูลมหายใจแล้วว่าผมก็เดินจงกรมแล้วก็ให้สมาธิตอนแรกก็ใช้คำภาวนบโทกก่านเรามีสติก็นิ่งแล้วผมก็ใช้ลมหายใจคือเดิมที่เคยทําอยู่อรู้สึกว่าก็มันก็เหมือนกับเข้าปรวังแล้วก็มีสติด้วยฮนะอะ นี้ตอนที่คาดหวังเนี่ยแล้วก็อยู่ในความสงบอแล้วก็สงบไปอย่างนั้นเลยประคองการสงบไปเรื่อยๆประคองสงบไปเรื่อยๆให้นานที่สุดอสมาธิก็มีท่านี้คือความสงบความสงบและที่ว่าอยู่กับความว่างก็คือความสงบนี่แหละความว่างความไม่มีความคิดตรงแตัไม่มีความคิดตรงตัดไม่มีอารมณ์อะไรนั่นแหละว่างสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้คือ รู้นี่คือสติรู้ตลอดเวลารู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าจิตเน่งจิตสบายมันสุขก็เปล่าถ้ายังไม่สุขก็ยังไม่นิ่งตอนแรกๆก็เหมือนจะมีแสงมีอะไรนะแต่แล้วก็หลวงพ่อเคบอกว่ามันเป็นนิมิตเี่เคยไม่ต้องไปสนใจก็เลยอยู่ในความสงบไม่ถูกไปแล้วก็ทีนี้ก็เอิญไปฟังพระบางท่านบอกว่าต้องไปไปถึงชาติสี่อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่มี้ายบอกไม่มีตายบอกฐานสี่ก็คือว่างอยาก่ะรู้ครับถ้าถึงถ้ายังมีนู่นมีนี่ก็ยังไม่ไม่ถึงฐานสี่ทำว่าแล้วเวลาที่เราปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่คําภาวนาแล้วก็ไปลมหายใจรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนี้เราถึงจะจะแล้วแต่ความสามารถของเราถ้าสติเราดีเราไม่ต้อง เหมือนเราไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้อะไรก็ได้นั่งป๊อบบอกให้มันนิ่งมันก็นิ่งหลังมันได้ปะคือเราต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆถ้าสติมีกำลังมากมันก็หรีบความคิดได้มันก็นิ่งได้เลยคือบางคร<ด>ั้ ง, นะงก็แบบบางครั้งเวลาเวลาที่เราทำ บ, บางทีเวลานอนบางทีมันก็สติเหมือนกับไม่ต้องไปทำอะไร ก็นิ่งเลยขึ้นเลยว่าไอ้ตนอนนี่มันทาสมาธิได้ได้ด้วยเได้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวพอมันหลับมันก็สติก็หลับเลยเลยไปเลยได้เชื่อต่อเนิ่มต้นแต่มันก็ช่วยทําให้นอนหลับง่ายครับคนที่ทําสมาธิไปนิ่งจะนอนหลับง่ายคไมม่คิดากวนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากแนิ่งคนบริหารนี่คิดมากนอนปวดหัวอยู่มับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนไม่หลับ ถ้าฝึกสมาธิเป็นมันหยุดความที่พอไม่มีความที่จิตเกมันก็สงบมันก็เงียบมาสบายครั้งสุดหลังสุดนี่พอทำสมาธิมันมีคำถามว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความเป็นเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนตัวกูของกูมากที่ตรงตรงนี้เรา เ, เราเหมือนเกิบ ว, ว่าในสมาธิเขาเวลาสงตสงบแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะหายไป มันก็จะรู้ว่าความรู้สึกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริง<ะ>ใช่ไหมบ<ะ>มันเพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดจากความหลงคิดขึ้นมาเองเร<ะ>าต้องให้รู้ทันมันแล้วอย่าไปหลงตามมันอย่าไปหลงตามความรู้สึกอะนี้ให้รู้ว่ามันเพียงความรู้สึกคำว่าตัวเราของเรานี้จริงๆมันไม่มี<ะ>ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา ใจเราไปหลงไปสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาเองพอได้นี่ปั๊บเป็นของเราแล้วไม่ใช่เรื่องของคนนี่เป็นของเราแล้วเอาไปทํำอะไรดีเอาไปกินเมื่ออาไปทํารอะไรมันมันไปแล้วต้องมีปัญญารู้ตัดมันตัดมันเพราไม่ใช่ของเราและที่ว่าเราต้องทาสมาธิไปถึงจิตเดิมเลยไหะผมงงไอจิตเดิมก็ต้องในไอจิตเดิมก็คือเวลาที่มันว่างไงล่ะจิตเดิม ขณะจิตสงบมันก็สมจิตเดิมคือจิตที่ไม่มีความปรุงแต่งเหมือนกับน้ำที่เราไม่มีลดสีสันอะไรเ อ, เ, อเอาลดเอาสีเอากลิ่นออกหมดมันก็เหลือแต่น้ำเดิมเดิมเ <Original, S 2> อาริจิโน่เข้นะจิตเราก็เหมือนกันจิตที่ไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ตก่างมันก็เป็นจิตเดิมจิตที่ว่างจิตที่สักแต่ว่ารู้เนี่ยนี่ยเรียกว่าจิตเดิมคือก็มี แล้วในเวลาเราออกจากสมาธินั่นฮะหลวงพ่อบอกว่าพอออกสกมาธิแล้วให้พิจารณาพิจารณาธรรมทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราไงสอ น, นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราไม่ไม่มีอะไรเป็นของเราครับเงินทองนี่เป็นของเราหรือเปล่ามันจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราตายไปก็ต้องเอาไปได้ครับใช่ไหมพิจนารณาอนี้ ไ, ได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปหลงเชื่อว่าเป็นของเราและเวลามันไม่เป็นของเราขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกข์แพ้แล้วนี้เป็นของเราแบบคนมีคนดีเข้าไปนอนกับคนอื่นนี่ทำงไงนะไม่คิดไม่โล่งหน้าพอเข้าไปก็โกรธก็เสียใจฆ่าตัวตายฆ่าเขาฆ่าตัวตาย<ๆ>ขึ้นมาเพราะไม่มีปัญญาพร<ๆ>าไปหลงเชื่อเป็นของเราของตัวเราแล้วพอใครมาแย่งไป เมื่อเวลานี้จากเราไปก็โกรธเขาแต่ <Yeah. S 2> ถ้ารู้ว่แต้องมาเขาไม่ใช่ของเราเดี๋ยวพ่อต้องไปอยู่แนละ้ว <Yeah. S 2> เขาไปเขาไปดีสิจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเขา <Yeah. S 2> ไม่ต้องเหนื่อย <Yeah. S 2> ใช่ไหมไม่คิดที่ไม่เป็น <Yeah. S 2> เวลาเสียนี่มันมีความสูงม า, มากกว่าเวลาได้แต่กลับไปมองกลับตาเระตัดกัน <Yeah. S 2> เวลาได้มาก็ต้องคอยดูแลเขาไม่ใช่คอยเลี้ยงดูคอยรักษาเขาคอยเอาอเข้าใจเขา แวลาเขาไปนี่สบายไม่ต้องเลี้ยงเขาแไม่ต้องดูไม่ต้องคอยเอาออกหาใจอยู่คนเดียวสบายแสนสบายแต่กลับอยู่ไม่ได้เพราะความอยากอยากอยากจะอยู่กับเขาปัญญาปัญญามั้ยไคิดของทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเสื้อนี่ก็ไม่่ของเราผมนี่ก็ไม่่ของเราเดี๋วก็ตัดทิ้งแล้วนี่แล้วนี่ก็ไม่ของเราแล้วก็ตัดทิ้ง เดีย่างการนี้ก็ยกให้สับเปล่ากันแน่ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นมันจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่คิดไว้ก่อนมันก็จะยึดจะติดจะหวงเวลาที่ในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิกลาวันก็ผมก็พยายามเจริญส ต, ตินะทำ<ห>ะอะไรพยายามไม่รู้คือคือพอทำไปเนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับจิตโลภจิตกับมันจะรู้ขึ้นมาได้ใช่มันมีสติไงแต่บางครั้งที่เราคิดอะไรที่เราคิดนะบางทีมันคิดไปทั้งนานแล้วมันมันมันมันหลงไปเลยครับยไม่มีสติไงที่ที่เราทำยังไงเราถึงจะได้เดิมันกลับมาพุทโธพุทโธไว้เรื่อยๆอ๋ออืมพอสติหมดก็เหมือนรถรถถ้ามันรถมันมันมันไม่วิ่งก็ต้องเหยียบคันแรกให้มันเว่ง ถ้าสติมันไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ได้เหยียบพันเรื่องแล้วก็พุโทโธพุทโธเหยียบพันเรื่องขึ้นมาบางทีไม่มีสติแบบไปไ ป, ไปเถียงกันอยู่ทัานาน้ง น, นั้นเป็นชั่วโมงแล้วเป็นแบบเฮ้เถียงไปทําไมกว่าจะรู้นี่มันเป็นชั่วโมงไปแล้วดียังไม่ไปฆ่าเขาก่อนอีกตอนนีหลังคือคือเราต้องปฏิบัติยังไงอ่ะถึงจะได้รู้ก็ต้องฝึกสติทั้งวันฝึกให้มีทั้งวันเลยพุทโธพุทโธไปทั้งวันเลยทุทั้วันพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยกับใครให้มากอื พยายามทางานของเราแล้วก็หนึงใจให้อยู่กับพูดโทพุทโทครับแต่พูดก็ต้องคอยมีสติระวังพูดเฉพาะเท่าที่จําเป็นจะต้องพูดครับพูดเสร็จแล้วก็กลับมาทําต่อพุทโทพุทโทต่ออันอันนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นี่ครับที่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็สติตั้งๆสร้างสติขึ้นมาก่อนเราถึงจะไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตได้ถ้ายังไม่มีสติมันพิจารณาไม่ได้ มันจะไปพิจารณาทางโลกมันจะพิจารณาเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองครับ <c oughs> มันจะไม่มาสนใจกับเรื่องเรื่องร่างกายว่าต้องแก่เจ็บตายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เคยคิดกันใช่ไหมครับใช่เพราะกิเลสนไม่ชอบไม่คิดกิเลไม่อชอบเด้นให้เราไปคิดเรื่องหางเงินทําให้เป็นนี้จะทําให้มันรายได้เพิ่มขึ้นได้ร <c oughs> า, ายได้มาแล้วจะไปใช้ที่ไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะจัดงานเลี้ยงกันเท่าไหร่ ก็จะคิดอยู่ในเรื่องหากินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องบังคับมันถ้าอยากจะให้มันคิดทางปัญญาต้องบังคับมันพระเจ้บอกให้คิดดูแลดูร่างกายเราเรารู้จักร่างกายของเราตปล่าเนยเราอยู่กัมันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรารู้แมมมันมีอาการสาสิบสองอาการเนี่ยค<อ>จาชื่อกันได้นะไหมได้แต่แต่ว่าอาจ<า>ตา<ม>าําราผล<ม>คนเล็ดฟันหนันนนนง<ะ>แล้วก็อ ไส้ใหญ่ไส้เล็กเนื้อเอ็นกระดูกผ่านเนื้อเอ็นกระดูกมาเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับไตไตใหญ่ไส้เล็กครับอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองศีรษะแล้วก็น้ําต่างๆน้ํางูน้ําดีน้ำทะเลน้ําเหลือดน้าเลือดครับน้ําเงื่เนี่มันอยู่ในตัวเราเลยเรารู้จักมันไหมไม่เคยไปตรวจตาไปเช็คมันเลย ตัวแต่ธนาคารอยู่เลยวันนี้ยอดขึ้นไม่ยอดลงใ <laughs> ช่ไหมันไม่สนใจมั้ยเรื่องของตัวเองก็กไม่สนใจชอบไปเรื่องสนใจเรื่องของคนอื่นให้ทําความรู้จักร่างกายของเราให้รู้ว่าในร่างกายนี้มันก็มีแค่สามสิบสองอาการนี้ครับมันไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นความรู้สึกของเราไปไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาออต้องทําลายให้ ต้องรู้ทันความรู้สึกนี้ว่าเป็นความรู้สึกบอมเหมือนคนที่คอยมาสอนเรื่องไม่ถูกให้เราฟังอยู่เรื่อยๆ uh huh. โ, โดนหลอกมาตั้งแต่เกิดรู้ป uh ่ะนี่เราต้องอาบัญญียาความจริงพร ะ, ะเจ้ามาแก้หน่ง uh huh. เ อ, อ้ยอย่ามันหลอกมันไม่มีหลอกตัวเราในร่างกายเงี้ยม่มีแต่ผมขนไม่ฟันแค่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายแนละ้ว uh huh. ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ uh huh. ลวลามันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันให้ดูอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ เราไม่มีวันตายเขับยังไหมเราตัวรู้ตัวคิดนี่ไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวรู้ตัวคิดไม่ได้อยู่ในอาการสามสิบสองอยู่อีกตัวหนึ่งแยกกันอยู่คนละส่วนเวลาร่างกายเป็นอะไรตัวรู้ตัวคิดกับเป็นตัวตกใจใช่ไหมใช่ใอ้ตัวตัวร่างกายมันตกใจมันไม่ตกใจออตัดผมมันไม่ก็ไม่ร้องใช่ไหมครับนั่นแหละ ตัวรู้ตัคิดนี่คือจิตของเราใช่ไหมอช่งั้นแหละตัวคิดตัวอตัวทุกตัวสุกนี่ก็คือตัวจิตเราเนี่ยนะเนั้ น, นนะต้องต้องให้มันรู้ทันแล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะสุขอย่างเดียวอย่างพยายามปฏิบัติไปเนี่ยถูกแนละ้วครับแต่ว่าต้องปฏิถ้าอยากจะได้ผลเยอะๆก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งวันอถ้าต้องทํางานด้วยมันก็ลําบาก เดี๋วกาเผยแล้วพอถ้าทำงานได้คิดเรื่องงานต้อเรื่องงานก็ดูดแต่ละครับพอขับรถที่ที่บอกว่าให้ให้ภาวนาพุทโธนี่เราจำเป็นต้องผูกกับลมหายใจไหมครับผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แล้วแต่เรา <c oughs> ไหนมันมันได้ผลดีกว่าก็เอาอย่างนั้น <c oughs> แล้วแต่ถ้ากําลังทํางานก็ผูกอยู่กับงานดีกว่า <c oughs> พุทโธไปกับงาน <c oughs> ขับแล้วก็พุทโธไปกับการขับรถถ้านั่งเฉยๆดูลมก็พุทโธไปกับลม เล้วแต่เวลาทำอะไรนี่ลมมันจับยาก okay. mm hmm. เพราะว่ามันจิตต้องละเอียดร่างกายมันต้องนิ่งมันถึงจะจับนมได้ mm hmm. ถ้าร่างกายไม่นิ่งจับตัวร่างกายดีกว่าจับมือจับเท้าจับแขนดีกว่าด mm ู hmm. ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็พูดโทไปกับมันมันจะได้ไม่ลอยไปที่อื่น แ, แล้วมันก็จะนิ่งได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบ เพราะเขาแล้วเวลาเรานั่งนี่บางบางทั้งแบบตัวตัวแบบไหวแล้วแบบโยกโครงแรงแล้วก็หมุนเตี้ยวอะไรนี่เราปวดท่านี้ยังไงครับกลับมาหพุทโธทองพุทโธลักๆหรือไม่ต้องตามตัวใช่ตอนนั้นไม่มีพุทโธแล้วไม่มีสติอราต้องนึกกลับมาต้องพุทโธไปจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบทึศแล้วพุทโธมันก็จะหายไปเองแต่ถ้ามีนู่นมีนี่ขึ้นมาแสดงแสดงว่าเราปล่อยพุทโธ อย่าไปตามมันดึงกลับมาตรงดึงกลับมาดึงใจกลับมาไม่ค ว, ใ ง, วใ ง, งให้สั่นไม่ครับกถ้าสั่นโยกนี่มันแสดงว่าจิตมันเริ่มอไม่มีสติควบคุมแล้วต้องควบคุมจิตเพรควบคุมจิตให้มันอยู่ก ร, ระพุทโธมันก็หายสั่นนอกจากอาการธรรมดาปกติของร่างกายที่นั่ง<ม>ไว้แล้วมันอาจจะเอ็นบ้างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจ ก็บาั้นเรานั่งใหม่ๆมันก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามันก็อาจจะเอ็นไปบ้างนี่หมดเหยียบหมดติวนั่งแล้วอันนีแสดงมันเป็นเรื่องอาการของจิตร่างกายมันไม่ได้หมุนจิตจิตมันหมุนจิตมันสร้างอาการให้เราเห็นสร้างภาพให้เราเห็นเป็นเหมือนนี่นี่จริงแล้วก็หนึ่งแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธรู้สึกรู้สึกว่าตัวคกับโยมควงไปแล้วหมุนแล้วกับเป็นยบกับุด ถ้าเรื่องตามมันไม่รู้ไม่หนะมุนอ่ะตามร่างการมันนั่งอยู่มันถ้าหลดตามมาดูมันก็หายไปนะมันหลอกเราไม่ให้ยึดให้ใหใหออกมาจากตัวเองการนั่งสมาี้ถ้าการให้มนนันนิ่งให้มันว่าไม่ให้เห็นอะไรไม่ให้มีอาการอะไรทั้งนั้นวิธีที่จะทําให้มันนิ่งก็ต้องมีพุโทโธหรือสติกํากับใจยยตลอดเวลาถ้ากำกับได้มันดิ้นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็สงบ เงียบแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะมันจะไม่ทําอะไรมันจะเฉยๆมันจะว่ามันจะรู้ไปเฉยๆจากแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้นอกจากความว่างรู้สึกพอเข้าผวางังแลมันก็อถ้ามีสติมันก็มีอยู่ตรงนั้นผมเอ๊เราจะต้องทําอะไรด้วก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทำอะไรพยายามพอขับประัข <มา S 1> นไปน<ห>อย่างนั้นไปนีีน้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิจะได้เอานิสัยนี้มาใช้กับชีวิตประจําวันครับ คือช่วงหลังนี้ผมก็ทําบ่อยนะครับเสร็จแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันว่างเหมือนกับเราไม่ได้คิดเลยเลยไปสักพักใหญ่เลยใช่ไม่ไมเป็นอะไรเลยอุเบกขาไงไม่รู้อุเบกขาเหมือนกับแต่พอเดี๋ยวไปเห็นนู่นแล้วไปเลยอไปถ้าอยากให้มันเป็นงี้ทั้งวันก็ต้องพอมันจะไปก็กลับมานั่งสมาธิใหม่กลับมาใหม่ให้มาสร้างอุเบกขาใหม่เหมือนเอาน้ําเนี่ย เอามาแช่เอามาแช่ตู้แช่ไวในตู้เย็นพอมาที่ไม่สักพักเดียวมันก็หายเย็นครับก็กลับไปแช่ใหม่ครับถ้าอยากใช้มันเย็นทั้งวันอืถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักเดียวมันก็ร้อนละครับพ้อนจิตเวลาออกมาข้างนอกมันก็จะมาร้อนกับความโลภโกรธหลงละร้อนกับเรื่องราวต่างๆหน้าหน้าที่ที่หลวงพ่อสอนตรงนี้ยังเป็นยังไม่ใช่วิปัสนาใช่ไหมยังเป็นแค่สมปทาที่กดไว้อที่ว่า หลังจากเราออกกสมาธิแล้วใช้ให้ใช้พิจารณาปัญญาตรงนี้แหละครับมันพิจารณาพิจารณาก็มันแต่หลวงพ่อบอกว่าให้อาการอร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราอาการตอนที่สองแล้วก็อะไรนะเขบอกว่าอนิจังลุกขังอััตตาให้ให้อยู่ตรงนี้ใว่าอครับให้มันรู้ทันไม่ให้ถูก ไม่ให้ความหลงมาหลอกให้เรามามาว่าเป็นตัวเราของเราตอนนี้มันถ้าเราไม่ไม่เตือนเราเราก็จะคิดว่าเป็นของเราพอเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เรารู้สึกเว้ยไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็เหมือนกันความจริงไม่เกี่ยวกับเราเราไปเกี่ยวกับมันเองเราก็ต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นร่างกายของคนนั้นอ่ะมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน เวลาคนนั้นแก่เจ็บตาทําไมเราไม่ทุกข์ทำไมเวลาไอ้คนนี้เป็นแก่เจ็บตาเราทุกข์แลเพราะเรายังมีความรู้สึกของมันว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่เราต้องล้างมันออกต้องล้างมันออกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเดินใจอยู่เรื่อยๆอ๋อถ้าเราถ้าหากเราบวชเป็นพระแล้วก็ต้องไปเจองานไปเจออะไรก็ปฏิบัติทั้งวันสลับสมาธิกับปัญญาครัพอพิจารณาจนกระทั่งมันฟุ้งแล้วก็หยุดแล้วกลับมาไปสมาธิใหม ทำใจให้สงบสงบออกมาแล้วก็พิจารณาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่ลยต่อไปมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกอืเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราของเรามันก็จะหายไปมันก็จะว่างเห็นร่างกายมันก็ว่างเฉยๆไม่มีความรู้สึกเพราะมันเป็นตัวเราของเรามันเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนก็เพียงแต่รับรู้มันไปนั่นเองโอมันเจ็บแล้ะมันปวดล้วครับก็ทํายังไงได้ไหมอน้าตาห้ามันไม่ได้อื แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปหลงเแค่มันเป็นเราถ้าเราไม่มีความอยากจะให้มันหายใช่ไหมแต่พอมันเป็นหายปั๊บอยากจะให้มันหายทันทีพออยากก็ทุกข์ขึ้นมากันทีเลยและคําว่าเป็นกลางนี่เอาตรงยังไงฮะไอที่เรานิ่งสงบเนี่ยคือเัวเป็นกลางนะนั่นแหละเฉยเฉยนั่นแหละไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเลยอเห็นอะไรก็เฉยเฉย เกียวว่างไงหรือรถออโต้เห็นไหมมีตัวดีเห็นไหมตัวตัวตัวพีไหมอ่าตัวตัวเอ็นไหมอ่าพวกเราหารถของพวกเราหาตัวเอ็กันไม่เจอครับบ้างจะเป็นตัวดีดหนึ่งรถดีสองหรือตัวตัวถอยหลังตัว R เอ์ไม่เดินหน้าก็ถอยหลังเจอของอะไรเช่าก็เดินหน้าเข้าหาเลยก็เจออะไรไม่เช่าก็ถอยหลังเลยก็ฟังหลวงพ่อในใน u t u b e ที่หลวงพ่อว่า โซดาบันอะไรเจ็เลยเนี่ยแต่มันเจ็ดสิบเปอรเซ็นต์นี่คืออะไรฮะคีเลสคือกีเลสรักชังที่เรามีมันน้อยลงไปเีครับทีละขั้นมันมีรักมีช้างแต่ละขั้นโซดาบันก็รักรักร่างกายรักความรักความรักชีวิตรักรักสุขภาพครับอันนี้ก็ต้องทําลายมันอย่าไปรักมันเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอทําลายได้ก็ทําลายไป25่สิบเปอร์เซนต์ ขั้น ท, ที่สางก็ไปลักคนอื่นอืก็ไปวิจารณาอัศวพาเขาคตับตายไสู่มิเขาเมันจะได้ลักความรักในตัวของคนอื่นอแล้วได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นพระสกิดาคาเมขึ้นมาได้ยี่ห้าอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ก็เป็นสกิราน ค, าครับถ้าละได้อีกยี่้าเปอร์เซ็นก็เป็นอนาคาเมก็ตอบไปเห็นร่างกายของใครจะสวยยังไงก็เห็นตับตายไส่พุงเขาตลอดเลลวลา อ่ะอสุภาณนี่เราเราไม่ได้พิจารณาที่ตัวเราไม่พิจารณาที่ที่คนที่เราไปหลงรักว่าสวยว่างามผมเข้อเตผิดผมข้อเตผิดมากที่เวลาที่เววามีคนตายเนี่ยเขา ให้ไปดูไงเาลบก็ไปดูเออนี่ท่าเราเป็นเราตายเงี้ยอันนี้ก็เรื่องของการตายไม่ใช่สุภาอนนี้เป็นมรณะสติอไม่ใช่สุภาแล้ก็เหมือนโหเขียวอื้อเลยแล้วมือก็แลลดน้ำเราก็ไปลดน้าไปไปพยายามไปบ่อยก็ใช้ใช้นี่มาใช้กับคนที่เรารลกได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นล้วันเป็นอย่างี้อยากจะนอนกับเขาหรือเป นี่ผมไปเอาว่าเออสมมติว่าเราเราตายเรานอนอย่างนี้มันก็โอ้โหมันก็ไม่มีไรแล้วนะเพราะนั้นเรื่องของเข้าใจาอย่างอันนี้ขั้นโสดาบันโอครับพัฒนาคามีต้องมองของที่เราลักเราชอบว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นซากศพถ้าก็เป็นซากศพยังอยากจะนอนกับเขาไหมหลานกันแค่ลมหายใจเท่านี้พอไม่มีลมหายใจก็นอนกับเขาไม่ได้นะผมเข้า ผมเข้าใจผิดว่าพิจารณาอกรรมฐานห้ากับพิจารณาอาการสองสองแล้วก็เลยไปพิจารณาว่าร่างกายเราตายไปแล้วเป็นอสุภะแต่ควจริงแล้วก็คือมันใกล้กันอ่ะมันก็มันก็มันก็เจริญไปได้แล้วมันก็สามารถใช้ใช้กันได้เป็นแต่ให้ใช้ให้มันถูกกันเอครับก็ผมผมเข้าใจอย่างเงี้ยไปบอกลูกสาวลูกสาวว่าปฏิบัติทำมันเป็นสองอย่างอ่ะ บ่อนั้นสติมันอนิจจังอสุภาพมันไม่สวยไม่งามออ๋อนั่นอนิจจังเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีปัญหากับอะไรแต่เห็นว่าร่างกายมันนิจจังก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของขายดูได้หมดเหมือนกันครับวามตายนี้ตายเหมือนตายทุกคนเหมือนกันอสุภะก็ดูของเราก่อนก็ได้ดูของเราเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นเหมือนกัน เวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายออกมาเหมือนกันไหมเขาก็ต้องขับถ่ายเหมือนกันเนี่ยพิจารณาอย่นี้ก็ได้เปรียบเทียบทําะไรก็ได้ทําให้เราตัดการอารมณ์ให้มันหายไปท่านหนึ่งเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาหยุดมันนะพอมันคิดถึงอสุภะมันก็หยุดแต่เหมือ น, นเจอกําแพงเนี่ยครับ เข้าใจครับอันนี้ต้องทําสลับต้องทํากับสลับกับสมาธิเพราะพิจารณาไปสักพักแล้วจิตมันมันหายอุเบกขาหายแล้วมันจะเริ่มเละเทะแล้วมันจะพิจารณาไปทางกิเลสแล้วก็หยุดกลับมาทําใจให้สงบมาเอาอุเบกขาหม่เอาความเย็นของเหมือนกับน้ําใหม่ครับพอน้ําเย็นแล้วค่อยเอามาดืมครับพอดื่มไปแล้วสักพักมันเริ่มไม่ไม่เย็นแล้วก็อากลับไปแช่ จิตของเราจะเจริญปัญญาได้ต้องใจจะร่อมเงย็นจะต้องเป็น<ม>อุเบกขาถ้ามันไม่เป็นอุเบกขาเดี๋ยวความโลบโกรธหลง<อ>มันจะเข้ามารบ ก, กวบนะเข้าใจนะเข้าใจครับโอเข้าใจกันเยอะนะเข้าใจการปฏิบัติใน<ม>่งั้นปฏิบัติไม่ถูกแต่หลวงพ่อบอกสอนให้แล้วรู้สึกว่ามันเข้าไปวางได้เองเนีเ<อ>่ยวางไปว่าเอ๊เพเอ้ยรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่รู้อะไรลอกลอกน่ะมันรู้แต่ไอไอตัวที่นิ่งอยู่เดียวเอ แต่เขพอนิ่งไปเนี่ยไอ้นิ่งกับว่างกับว่างนี่มันอันเดียวกันเนาะว่างเดียวกันเนาะถ้านิ่งมันก็จะว่างถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่ว่างครับแล้วก็คือไม่คิดด้วยใช่ไหมไม่คิดด้วยแต่ว่ารู้ไงรับู้เฉยเฉผมใช้สติมาอยู่ตรงที่สมองไม่ให้สมองคิดคือคิดปุ๊บก็รู้อ่ะไม่คิดแล้วก็กลับไป It, it มันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่สมองความคิดอยู่ที่ใจนีอย <You agree? S 2> ู่ที่ใจนะครับอแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ได้มันก็อยู่ความคิดได้อ <c oughs> อยู่ที่ลมก็ได้อยู่ที่พุทโธก็ได้อยู่ที่เท้าเวลาเดินก็ได้มันรยูได้สติมันเป็นความจริงมันแท้มันตั้งอยู่ as, <c oughs> แถวนั้นเพื่อให้มันตั้งให้มันมีสติขึ้นมาทั้งนั้นครับต่อไปมันมีสติแล้วมันไม่ต้องไปตั้งที่ <c oughs> ไหนก็ได้มันก็ตั้งที่จิตเลยมันก็ดูที่จิตเลยว่าตอนนี้กําลังคิดหรือเปล่าอยากจะให้มันหยุดก็บอกให้มันหยุดได้ครับ แต่แต่ต้องรู้ก่อนว่าว่าว่าคิดเองก็มีสติไงมีสติมันจะรู้ตลอดเวลาว่าคิดหรือไม่คิดอยู่อเหมือนกัมีตํำรวจเฝ้าประตูเงี้ยใครจะเข้าชายจะออกตํารวจก็ต้องรู้อใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีตํารวจเนี่ยก็ไม่รู้ใครเข้าใครออกอสติก็เหมือนเหมือนตํำรวจครับคอยเฝ้าดูความคิดต้องปฏิบัติเยอะๆเท่านั้นแหละ มันจะได้ผลมากผลน้อยอยู่ที่การปฏิบัตินี่ปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยปฏิบัติมากก็ได้มากเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มอะตักวันละขันกับตักวันละร้อยขันเนี่ยอันไหนจะเต็มก่อนกันอะใเ่มพระนี่ท่านตักวันละร้อยขันพวกเรามันตักวันละขันเช้าเย็นวันละขันแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นไม่ยอมตักน้าน้ามันก็ไม่เต็มตุ่มทั้ที แล้วมันมีรอยรั่วด้วย <c oughs> ตากไปเดี๋ยวเดียวอําหายไปเล่ <c oughs> นะตอนต้นต้องตากให้เต็มตุ่มแล้วก็ไปดูว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนแล้วก็อุดมันคะ <c oughs> ตอนต้นนี่เรียกสสมาธิไงแตบบ้น้ําเต็มความสงบให้เต็มแล้วพอมันพ่องก็ไปหามันพ่องด้วยเหตุใดตรงไหนะ <c oughs> ก็ไปรอดูรอยรั่วอ๋อรอยรั่วก็คือตันหาความอยากของต่างๆพอ <c oughs> ม, มีความอยากว่าอุเบขาหายไปเลย ก็ต้องไปอุดอุดวอยรั่วอุดอุดตันหาอตันหาเอาเอาเอายางมาอุดยางก็คือปัญญาอุดเข้าไปยางก็คือตายรัก <Okay. S 1> เห็นตายรักแล้วมันก็หายอยากแล้วต่อไปพออุดลอยรั่วหมนแล้วติมน้ําทีเดียวเต็มแล้วก็จบแล้วไม่ต้องไปเติมอีกจิตออกจากสมาธิมามันก็จะเย็นตลอดเวลามันจะไม่รั่วแล้วมันจะไม่หายและ ถ้ามันอุดรอยรั่วด้วยปัญญาแล้วจบละก<ม>็จะคนที่อุดรอยรั่วได้หมดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ต้องเติมน้ำแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิทําจิตให้สงบแล้วพอทําให้มันสงบครั้งเดียวเต็มที่แล้วก็จบล้แต่แต่ท่านก็ยังเหลือจิตอยู่ใช่ไหมครัพระพุทธเจ้าครับก็เหมือนกับเราจิตล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ว่าจิตของเรากับท่านมังไม่เหมือนกันตรงที่จิตเรายังหิวยังอยากอยู่ จะชมท่านเองนะท่านเองครับพอเห็นพระพระอาจารย์บางท่านแบบไปเที่ยวอินเดียอะไรนี่ครับก็บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามาเมื่อพิจการมาพบท่านอะไรนะครับแสดงแสดงไม่ต้องไปอินเดียก็เห็นแต่ท่านบอกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องมาอินเดียหรอกเขาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติว่าให้เห็นบุทธธรรให้กับเราอะไรนั่นแหละพุทธรรมอยู่ในใจเรานี่แหละเห็นพระอาจารย์ก็เขียนอ่านเจี่ยวกับการเฉลิมฉลอง แต่ว่าไปหาสถานที่ที่ทําให้เกิดความขยันขึ้นมาแค่นีบ้บางทีไปที่นั้นแ้วรู้สึกอยู่ใกล้พุทธเจ้าแ้ว ร, รู้สึกว่าต้องปฏิบัติพอตั้งใจปฏิบัติจิตก็สงบอ๋อเลยบาทีว่าไปเห็นพุทธเจ้าที่พุทธคยานน่นแต่ความจริงครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้ไปพุทธคยาต้องเยอะแยะท่านก็เห็นขอท่านอยู่เชียงใหม่ท่านก็เห็ น, น, อ, ย อ, ห น, หนอยู่อีสารนั่นก็เห็น เราไปเราอยู่ในใจเรานี่แหละความใจสงบก็จะเห็นนะแต่ยังไม่เห็นเต็มที่ต้องเห็นต้องเห็นอริยสัจสีเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นว่าการอยากการเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักก็จะหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้แล้วตอไปนะั้นมันจะไม่สงสัยแล้วเพราะพุทธเจ้ามีแล้วไม่มีเห็นชัดๆแล้ว เห็นจากพระธรรมนี่เพราะพระธรรมมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่เมื่อเห็นลูกก็ต้องรู้ว่าลูกคนนี้มีพ่อเนีพระธรรมเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นลูกก็แสดงว่าต้องมีพ่อพ่อคือพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็เหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าเห็นลูกก็เหมือนเห็นพ่อปฏิบัติเถอะไม่ต้องไปหาที่ไม่ต้องไปอินเดียไปที่นู่นที่นี่หล้วหาที่ไหนที่มันสงบแล้วก็ปฏิบัติให้มัน จิตสงบแล้วเจริญปัญญาให้เห็นตายรักเห็นอริยาสัจสีแล้วก็จบถ้าจัพอเราจะไม่ไม่ทําทำงานแล้วมันก็เอ๊เราคิดกลัวว่าถ้าอีกหน่อยเร า, เามมีเงินรักษาตัวที่เหลืนะที่เหลอทำไมคนอื่นทีแม่ชีเ็าอยู่ตามวัดทำไมเขาอยู่กันได้ก็แม้วาว่าที่เ็าไม่ต้องเก็บเงินอยู่เลยกินกับกินข้าวกับพระกิน ไปช่วยพระล้างถ้วยล้างชามทากับข้าวมันก็แค่เสป็นค่าแรกเปลี่ยนค่าอาหารที่อยู่นั่นเอมันไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็มีเวลาทําแค่ช่วงเช้าพระก็ต้องไปบินตบตโยมก็เข้าครัวมันก็เหมือนกันทุกคนก็มีหน้าที่ทาํางานเพื่อเลี้ยงขี้ไปวันวันห น, นึ่งเั่นเองพอฉันเสร็จทําความสะอาดล้างถ้วยล้างชามเสร็จก็กลับไปที่พระปฏิบัติ ไม่ต้องกลัวตายหรอกถ้าถ้าปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มันต้องมีที่ให้อยู่อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกแล้วเวลาที่กับบาอาจารย์ที่เราเคารมเนี่ยท่านอาพาธแล้วเราอยากจะไปกลับเยี่ยมท่านก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นกิเลสตัวเองหรือเปล่าก็ไปทําไมหรอมีหน้าที่ไปไปเยี่ยมท่านทําไมเยี่ยมแล้วไปทําอะไรให้ท่านดีขึ้นหรือเปล่าไปรบกวนท่านหรบอเปล่าเวลาท่านไม่สบายท่านอยากจะพักผ่อน เวลาสบายกลับไม่มาเยี่ยมชอบไปเยี่ยมตอนไม่สบายใช่ไหมไปเยี่ยมทําไมตอนไปมันต้องมีเหตุมีผลต้องไปเพื่อทำถ้าไปแล้วไม่ได้ทําำมาไปเสียเวลาเปล่าไปทําไมซู่ปฏิบัติไม่ดีกว่าเลยเ อ, อเามาบวชเพื่ออะไรมันไม่ได้บวชเพื่อทำเลยแล้วก็บวชเพื่อทำแล้วไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ทาไมหลังจากไปเยี่ยมแล้วท่านให้ทำมากับเราหูตาสว่างก็ไป แต่ถ้าเรามีธรรมแล้วเรารู้ว่าท่านจะพูดแล้วเรไปทําไม mm hmm. ไปท่านก็บอกภาวนา mm hmm. สติ mm hmm. มาที่ปัญญาท่านก็พูดอย่างเนี้ยพูดจนหูฉีกแล้ว mm hmm. กิเลสมันก็ดอกมันอยากจะไปเที่ยว mm hmm. มันไม่อยากจะอยู่กับที่ก็ยังไงพออยู่กับที่ก็หงุดหงิดไหวเหงาปว mm hmm. ดอัด mm hmm. พอได้ไปเนะี่ยมันเบิกเหมือนกับเปิด mm hmm. เหมือการน้ำที่มันจะระเบิดเปิดฟ้าไม่รู้เท่าไหนมันจะได้ระบายหน่อยเนี่ยกามอารมณ์ไงการมาฉันทะเขาเร็ยการอยากจะไปดูรูปฟังเสียงกินหลวงตามหาบัวถึงบงังคับพระเลยอยู่ที่วัดกระท่านนี้ไม่ให้ไปไหนห้าปี<ม>กิจนิมนต์ก็ไม่ให้รับให้สู้กับการอารมณ์นี้ดับมันด้วยสติด้วยสมาธิไม่ใช่ดับด้วยการไปข้างนอก มันก็ดับชั่วคราวไประบายชั่วคราวพอกลับมาก็อารมณ์ต่างๆที่ไปเห็นกลับก็ามาสมให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปผู้ปฏิบัติต้องปีกวิเวกต้องไม่ออกไปหาเล่เสียงกลิ่นรถเข้าใจนะแค่นี้นะสาทุนอนแล้วนะ <c oughs> พูดหลายรอบเมือเหนื่อยนะ <c oughs> <c oughs> มาไกลเลยทำวะคนนี้เจริญข้อน้องทามาด้วยติดตามต่อตอะไร ด, ดูทุกๆตสาอาทิตย์นะครับต้องปฏิบัติด้วยนะ